ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุกมกำลังนำเสนอประวัติพระอัญญาโกลธัญญาซึ่งเป็นปฐุมมสาวกก็มาถึงประเด็นที่จริงก็เป็นพุทธภาษิตนะครับคือเป็นพุทธํรรรัดที่พระผู้มีภาคย้าส่งแสดงไว้หลายแห่ง พระเทราก็มาประรบชาวโลกแล้วก็ได้เปล่งเป็นรูปคล้ายๆอุทานประรบเรื่องอนิจจังทุกของอาาัของอนัตตาการอนิจจังนั้นแปลว่าเมื่อใดพระยาสาวกพิจารณาเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาว่า คำวิปัสนาปัญญานั้นหมายความว่ายกสังขารขึ้นมาพิจารณาตามกฎของพระไตรลักษณ์ใครถนัดในเรื่องอะไรก็พิจารณาในแง่นั้นมุมนั้นเราจึงพอเวลาส่งแสดงก็จะส่งแสดงที่ข้อใดข้อหนึ่งมาก่อนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ในตอนสุดท้ายก็จะส่งสรุปถึงผลที่เกิดขึ้นจากการเห็นความจริงตามกฎของปัจไตลักษ์ด้วยวิปัสนาปัญญาวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ่มแจ้งเห็นชัดเจนเห็นความจริงตามที่เป็นจริงโดยผลปรากฏที่ยั่งยืนนั้นท่านเรียกว่ายถาภูตญ า, าณทัศน์ คือรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงก็รู้เห็นอย่างนั้นแล้วก็ทำลายอวิชาซึ่งเป็นเหตุให้หลงงมงายอยู่ในพวกโลกิยรมทั้งหลายจนหมดสิ้นไปในที่สุดดังนั้นก็จะพบว่าลักษณะความเห็นที่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเนี่ย ก็ทำให้ผู้เห็นจริงๆเพราะว่ามันไปยึดโยงอยู่กับการละตัหามานาทิชิไปยึดโยงอยู่กับการละอุปาทานละอสวะหมายความมาเมื่อเห็นอย่างนี้ก็จะละสิ่งนี้จะต้องมีด้วยกันคืออย่างหนึ่งมีอย่างหนึ่งต้องไม่มีไม่ใครไม่ใช่ว่าการเห็นตามความเป็นจริงก็มี ตานามาน้าทิถีก็มีไม่ใช่อย่างนั้นก็นทำนองมืดแล้วก็ไม่สว่างสว่างก็ไม่มืดกันเด็กสังขารทั้งหลายชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะว่ามีเบื้องต้นทำกลางและที่สุดเป็นที่สุดคือมาความมาจบลงในตอนที่ไม่เหลือปัจจัยปรุงแต่งแล้ว ทั้งขานทั้งหลายมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเพราะมีความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นที่สุดหมายความมาแตะตรงไหนก็ไม่รู้แหละก็เจอไม่เที่ยงทั้งนั้นและเพราะเป็นไปได้ชั่วคราวเพราะแตกดับไปในที่นั้นนั้นคือนัยยะที่อธิบายเนี่ยที่ได้อธิบายไว้วันก่อนนั้นอธิบายตามอัตถกถาเหมือนกันนั่นแหละ แต่ว่าเป็นการรวบรวมมาจากพระบาลีพุทธวจนะในที่ต่างๆคือเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองจะไม่แสดงครบทั้งชุดก็ทรงเน้นประเด็นใดประเด็นเนึ่แล้วก็ไปรับสั่งขยายทีหลังเพราะเป็นการอาลมไปตามพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้นๆเมื่อ ปัญญาท่านเข้าถึงมันก็จบอะไม่จำเป็นจะต้องพูดเพราะว่าต่อจากนั้นท่านจะเห็นของท่านเองก็ใล้ๆกับแสงสว่างเกิดขึ้นมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายซึ่เคยอยู่ในที่พืดด้วยตัวเองโดยตัวไปที่ท่านยกมานี่ท่านยกมาก็อย่างละสี่ประการหมายความว่าที่ไม่เที่ยง ก็เพราะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสองเป็นการดำรงอยู่ชั่วขณะสามมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่แล้วก็สี่ก็ขัดแย้งกับความเที่ยงซึ่งโดยปกติแล้วก็จะเอาสี่นัยนี้คือง่ายหน่อยคิดกันง่ายหน่อย แต่ว่าในที่บางแห่งท่านอธิบายขยายความถึงยี่สิบกว่าประเด็นยี่สิบกว่าประเด็นมันก็จำไม่ไหวเพราะงั้นก็จับไว้สักสามสี่ประเด็นน่งถ้าควา้ลองสังเกตว่าวิปัสสนาปัญญานี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามกับวิปัสสนาคือวิด้วยกันนั่นแหละแต่วิโนนมันวิปรสสนา คือเห็นวิปริตคลาดเคลื่อนจากความจริงตามที่มันเป็นก็มีอยู่สี่เรื่องใหญ่ๆตัวเองก็เห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยงามและจิตก็สำคัญมั่นหมายในสิ่งที่สวยงามเหล่านั้นสิ่งที่ตนเองคิดว่าสวยงามนั้นนั้นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเทีย่ยงทางที่มันไม่เที่ยง แต่เราก็ทำใจยอมไม่ได้เราก็ไปยึดมั่นโดยอนาจของความเชียงไปมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในแง่ของความเป็นจริงที่แท้จริงแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเป็นอนัตตาไม่มีความเป็นอย่างอื่นละ ทีนี้ก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เป็นอัตตาตัวตนว่าเป็นอัตตาตัวตนอันนี้ก็เรียกว่าวิปลาสคือเห็นคลาดเคลื่อนจากความจริงเราก็ถูกปิดบงดังโดยเหตุผลสติปัญญาเอาไว้ก็ไม่เข้าถึงเหตุผลในเรื่องเหล่านี้แต่ใดที่เรายังไม่เข้าถึงเหตุผลในเรื่องเหล่านี้เราก็วิปลาสไปไเรื่อยๆหมากปากน้อยบ้างก็เป็นอีกเรื่องนึง เพื่อหารวิปลาสเนี่ยมันต้องจิตมันไปอยู่อีกฟากหนึ่งก็คือวิปัสสนาปัญญาเป็นปัญญาที่เห็นแจม่มแจ้งตามความเป็นจริงก็เห็นว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่สวยงามจริงสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงจริงสังขารทั้งหลายนั้นไม่ใช่ความสุขจริงๆแต่่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตัวตนจริงๆ แต่ทนี้สาเหตุที่ทําให้เราเห็นขาดเคลื่อนเนี่ยก็เพราะว่าเลงใจเราไปมองในแง่ของความสวยงามจึงเห็นว่าเป็นความสวยงามเราก็ปรุงคิดคิดรุงเอานะครัคล้ายๆกับภาพศิละปะนั่นแหละคนไม่ได้เช่าใจเหมือนกันหรอกมันอยู่ที่ใจใครกําหนดว่าอย่างไงเขาก็มีความรู้สึกอย่างนั้นก็เป็นสิทธิของเขา ทีนี้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เราเห็นว่าเป็นสุขเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่เที่ยงที่เราเห็นว่าเที่ยงเนี่ยที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไปกำหนดด้วยนิจจะสัญญาคือกำหนดว่ามันเป็นของเชียงแล้วในขณะเดียวกันในความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคล้ายๆกับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พอเราเจอมามันก็เป็นอย่างนี้ทุกทีกินข้าวแล้วก็หิวอาบนะ้ําไม่พักเดียวก็นเหนียวตัวเราคุณ้นๆนะเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เราลากิเลสไม่ได้แต่นี้การที่ปิดบังทุกข์เอาไว้เนี่ยคืออิเดียบ ท, ที่เรามีความเพื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเนี่ยนั่งยืนเดินนั่งนอน เกื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอีเลียบทยู่เรื่อยๆเพราะงั้นไอ้ความทุกขเวทนาโดยเฉพาะทุกขเวทนาว่าไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยมันไม่ปรากฏเด่นชัดแ้วการที่เป็นอนัตตาเ็าเพราะว่ามันก่อกุมก็เป็นก้อนอดินน้ำลมไฟมาก่กะกุมกันตลอดถึงากาอากาศสถาน ทีนี้ถ้าดินน้ำลมควายอากาศมันแยกออกจากกันมันก็หาตัวตนไม่เจอว่าตัวตนมันอยู่ตรงไหนล่ะนาตัวตนม่เจอแต่ทีนี้ศาบใดที่ยังเห็นอย่างนั้นอยู่มันก็วิปลาสอยู่อย่างนั้นแหละแต่ทีนี้ถ้าท่านเกิดวิปัสสนาปัญญายกจิตขึ้นสู่ขันห้าพิจารณาให้เห็นตามกฎของปัจจัยหลัก แต่ว่าอารมณ์เขาไม่ปัสนาที่จริงก็มีตั้งหกชุดนะฮะเป็นชุดแล้วก็หชุดด้วกันคือขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอินสี่ยี่สิสองญสสี่แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทมันก็อยู่ในแวดวงของขันห้านั่นแหละเจรยงแต่ว่าพูดในภาพรวมหรือว่าในส่วนรายละเอียดเท่านั้นเองแล้วท่านก็บอกว่าอัานิ บ, บินนาติดเุเข เมื่อ น, นั้นนารยสาวกนั้นย่อเบื่อน่ายในวัฏฏทุกหมายความว่าเบื่อน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเกิดแล้วเกิดอีกลูกค้าชาติปุณณปุนังเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆรูเจ้าทรงเปล่งอุทานตั้งแต่ตอนสัสรูนะคะับสรูทรงเปล่งอุทานตรงนี้ล เราเมื่อแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างคือตัะหาผู้สร้างเรือนต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเป็นอนเนกการเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆหรือเป็นทุกข์เรื่อยไปแล้วสั่งว่าดูกรนายช่างคือตัะหาผู้สร้างเรือนบัดนี้เราเจอตัวเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างเรือนคืออัตภาพให้แก่เราต่อไปไม่ได้อีกแล้วอุปกรณ์การสร้างเรือนทั้งหมดตั้งแต่เรือนยอดลงมา เราหักทำลายหมดแล้วจิตเราเข้าถึงวิสังขารคือปราศจากเครื่องปรุงแต่งเพราะมันไม่มีตันหาตอนนี้ทรงพูดถึงการดับตันหาแต่อย่าลืมว่าไอาเรือนยอดจริงๆเนี่ยมันเป็นอวิชาอาวิชากับตันหามกันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่า มันแตกต่างกันโดยชื่อแตกต่างกันโดยความเข้มข้นอวิชามันเข้มข้นมากกว่าก็เข้มข้นที่สุดแหละเพราะว่ามันเป็นรากง่าวของสัพว์ไกิเลส ท, ทั้งหลายแล้วก็รักสั่งว่าเมื่อเบอนายย่อมตัดสรุสัจจะทั้งหลายเวลาตัดสรุนี่ตัดสรุอย่างไงคือมันเหมือนกันตอนตัดสรุนี่ คือมันจะเกิดยานผุดขึ้นไปในใจแต่ว่าใจมันเดินผ่านมาก่อนนะฮะผ่านสมาธิผ่านรูปฌานมาก่อนจนถึงจิตเป็นสมาธิพองแพร่เป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวประสจากอุปิเกลสเป็นจิตอ่อนเป็นจิตใช้งานได้เพื่งงานใช้งานได้ควรแก่การงาน ทำนองคล้ายๆกับเราตีเหล็กเราเผาเหล็กเราตีเหล็กในตอนต้นๆมันก็ยังใช้งานไม่ได้ก็ตีแล้วตีอีกตีแล้วตีอีกในสุดมันก็ใช้งานได้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปยังไงก็ได้สารพัดก็ไม่น่าเชื่อเราวันก่อนดูข่าวอารันยิชมีแต่อารันยิ ก, อญญกโอ้มันพัฒนาไปเยอะคนไทยในเก่งจัง ทำโดยมือล้วนๆ น, นะของกระดางนี้เขาทำด้วยเครื่องด น, นกลไกรก็เราทำโดยมือล้วนๆแต่ก็สวยงามแข็งแรงมั่นคงนั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันต้องค่อยทำค่อยไปอ่ะค่อยๆปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเผาแล้วเผาอีกตีแล้วตีอีกดัดแล้วดัดอีกก็ทำไปเรื่อยๆที่นี้กิเลสก็เหมือนกัน มันมีาณเกิดผุดขึ้นคือมีความประสงค์จะรู้แล้วก็เกิดความรู้ผุดขึ้นว่าอันนี้เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นี่เป็นความรับทุกข์นี่เป็นข้อปฏิบัติถึงซึ่งความรับทุกข์อย่างนี้เรียกว่าสัจญาณคือรู้ความจริงตามที่มันเป็นจริงมันเป็นจริงยังไงก็รู้ความจริงตามนั้น แล้จากนั้นก็มีกิจจยานคือรู้ภารกิจที่ตนเองจะต้องประพฤติปฏิบัติว่าทุกที่ควรกําหนดรู้เราได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละแล้วนิโรธที่ควรทําให้แจ้งเด้ทําให้แจ้งแล้วมรี่ควรเจริญเราได้เจริญเนี่ยไม่ใช่เอาอย่างนี้ก่อนทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมรติควรเจริญหมายความภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในริยสัตมนั้น ในแง่ของความจริงที่เราต้องลงมือประพฤติปฏิบัติก็คือมรรคศสัสตร์พอมรรคศาตร์เขาเพิ่มเนี่ยสมุทรไสยศาสตร์เขาลดนิโรธศาสตร์เขาเพิ่มทุกเขาจะลดแล้วพอถึงจุดหนึ่งนิโรธศสัสตร์ก็สมบูรณ์มรรคศาสตร์ก็สมบูรณ์นิโรธศัตร์ก็สมบูรณ์สมุทรไสยก็ดับไปอย่างสิ้นเชิงทุกก็ดับไปอย่างสิ้นเชิงเปิเวลานิยามท่านก็บอกว่านิยามกับอนิพาน ก, ก็ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกหมายความมาดับทั้งสองอย่างเกิดดับทั้งกิเลสแล้ก็ดับทั้งทุกยานข้อที่สามเรียกว่ากัตตาญาณหมายความว่าสิ่งอะไรควรปฏิบัติอย่างไรก็ร ไ, รรได้ปฏิบัติแล้วก็เกิดยานผุดขึ้นมาว่าทุกที่ควรกําหนดรู้เราได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละแล้วนิโรธ ที่ควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรี่ควรเจริญเราได้เจริญแล้วนี้ท่านจึงบอกว่าโดยการกำหนดรู้ทุกเป็นตนและข้อต่อไปก็คือข้อบาเอสิสัมมโกวิสุทธิยาวิธีแห่งวิปัสสนาตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นทางคือเป็นอุบายเครื่องถึงความหมดโยตแห่งยานัศสนคกอยาณัศสนะก็ที่จริงก็คือยานั่นแหละ ทัศนะก็ไปเห็นด้วยตาปัญญาตาพระพุทธเจ้าแล้วก็ญาณก็ก็เห็นด้วยตาปัญญานั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเรียกญาณเนี่ยความเข้มข้นจะสูงปัญญาบางทีก็เรียกระดับล่างๆ ล, ง, ล, ง, ลงมาได้แต่ถ้าระดับบนแล้วก็เรียกระดับญาณแล้ว แต่วิญญาณก็อาจจะเป็นโลกิยะก็ได้โลกุตระก็ได้อย่างพวกอภิญญาห้านี่ยมันก็เป็นโลกิยาแต่ก็เรียกว่าญาณเหมือนกันแล้วก็อย่างที่เคยบอกอนะหมายความเราหากกิง่งกิ่งไผ่มันกิ่งหนึ่งเราก็ต้องเรียกว่าไม้ไผ่อะจะเรียกยงงอย่างอื่นได้ยังไงมันเป็นส่วนหนึ่งของต้นไผ่ของกอไผ่มันไม่ใช่ทั้งต้นทั้งกอหรอกแต่มันก็คือไม้ไผ่ พรนองค์รำที่จําแนกชื่อออกไปหลากหลายมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเวลาก็กลุ่มจริงๆก็ไม่มากก็คือหลักของอริยสัจสีอย่างที่ทราบกันในข้อต่อไปก็เป็นข้อที่ท่านเปลงเหมือนกันว่ า, าการบริสุทธิ์หมดจดเนี่ยมันทำให้เกิดญาณทัศน์นาพอยญาณทัศนะนนี่มันตัวสว่างนะ กุศลชาในตัวมืดตัวยาณทัศน์ในตัวสว่างพอแสงสว่างเกิดสมบูรณ์เต็มที่ความมืดมันก็อันตรธานตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาสิ่งทั้งหลายก็จะปรากฏชัดเจนทำความเป็นจริงแล้วข้อต่อไปท่านก็บอกว่าชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะมีภัยเฉพาะหน้าเพราะเกิดขึ้น และก็เป็นความเสื่อมไปทุกขณะเพราะทนได้ยากแล้วก็เป็นคาดสึกต่อความสุขอันนี้ก็คือกรอบในการนิยามหมายความว่าการนิยามกรอบของคำนั้นคำนั้นคำนั้นแม่คืออะไรอย่างเงี้ยก็นิยามออกแต่ทีนี้พอเราจะนิยามแม่เนี่ยโอ้เยอะเลยเรียกชื่อได้เยอะแม่เนี่ย ใครมีความประทับใจใครมีความบันดาลใจมากน้อยแค่ไหนเราก็เรียกท่านได้เยอะเลยแต่เนื้อหาจะส่งกันมันแสดงถึงความรักมันแสดงถึงความการุณามันแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจมันแสดงถึงจิตวิญญาณที่ก็เทียบยากไม่รู้จะเทียบอะไรกับใครเพราะในความจริงเหล่านี้ก็เหมือนกัน หมายความมาท่านชัดเจนตรงไหนล่ะท่านก็จะชี้ประเด็นตรงนั้นออกมาในประเด็นตรงนี้เวลาท่านอธิบายส่วนใหญ่นั้นท่านอธิบายว่าที่ชื่อว่าเป็นทุกขตาคือเป็นทุกข์ก็เพราะอัตว่าเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถูกแผดเผาก็ให้เกิดความร้อร้อนด้วยประการต่าง คำบางคมก็ซ้ำกันแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยมันแสดงถึงสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาสักอย่างหนึ่งจะบอกว่ามีภัยเฉพาะหน้ามันก็ไม่สนุกอะเพราะบีบคั้นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทุกขณะเพราะทนได้ยากเพราะเป็นค่าสึกต่อความสุขคือตรงกันข้ามกับสุข หมายความพยายามใดขณะใดที่ใจเราประสบความทุกข์อยู่เราก็ไม่มีทางสัมผัสความสุขได้เราคำว่าสเบธรรมมาธรรมที่เป็นไปในภูมิสี่หมายความมาทั้งหมดแหละที่เนี่ยธรรมที่ไปในภูมิสี่นี่ก็คือการมาว um ัจรภูมร um ูปาวัจรภูม um ิรูปาวัจระูมโลกุตระภูมิโลกุตระพูมินั้นมีแต่ภูมินะฮะมีแต่ภาวะทางจิต แต่ไม่มีพบเป็นที่อุบัติของจิตเพราะว่ากิเลสเป็นเนเธออุบัติเนี่ยมันไม่มีกรรมไม่มีกิเลสไม่มีก็วิญญาณก็ไม่มีตามไปแต่เมื่อเราก่าบโดยรายละเอียดก็จะเห็นได้ว่าโล ก, กุตระ จ, จริงๆมันมีอรหาตาัตมกอรหัตผลนิพพานที่ไม่มีพบจริงๆ เพราะว่าระสดาต ก, กิทาคานาขาเนี่ยท่านยังต้องมีพบเป็นที่อุบัติอยู่แต่มาความว่าจิตท่านเข้าสู่โล ก, กุทธรภูปไปแล้วไม่มีการย้อนกลับไม่มีการหมุนกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของสังสารวัฏที่ต่ำลงก็มีแต่สูงขึ้นจนบนรรลุมรรคผลนิพพานในสุทธาวาสอ่ะ เป็นพระนาคามีก็บรรลุอิพานที่สุดาวารเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาอนัตตาเพราะอะไรแต่วันในที่นี้ท่านเน้นที่สามภูมินะฮะเพราะว่ามันมันพูดถึงชีวิตพูดถึงชีวิตแต่ว่าจิตมันเป็นไปในภูมิสี่เพียงแต่ว่าตอนนี้ท่านเน้นที่สามภูมิ ก็คือปามาวาจรภูมิรูปปาวาจรภูมิมรูปปาวาจรภูมิเพราะว่าทำเหล่านั้นพึงพิจารณาเห็นว่าชื่อว่าอนัตตาเพราะไม่มีสาระแกนสารเพราะไม่อยู่ในอำนาจเพราะว่างเปล่าเพราะปฏิเสธตัวตนนี้ก็ ค่อนข้างตรงกันนะฮะเขื่อนข้างตรงกันกับที่กล่าวไว้ในวันก่อนเป็นปริยายเทศนาไม่ต้องไปติดใจในรายละเอียดคือผู้ฟังสามารถจะจำชุดไหนเพื่อสักชุดหนึงก็พอแล้วเพราะเวลาเห็นนี้มันจะเห็นหมดแต่ในเชิงปริยตัติเราก็คงจะไปท่องจำอย่างนั้นไม่ไหวหรอกก็จับประเด็นไว้ให้ได้เพื่อชี้ประเด็นให้ได้แล้วก็ดูตัวอย่างง่าย ก็ได้ยินการอุปมาถึงการาพัฒนาประเทศชาติอุปมาเหมือนไอศกรีมพอเหมือนก็ส่งไอศกรีมที่ยังแข็งอยู่เนี่ยแต่ว่าก็บอกสิ่งที่ห่อออกไปแล้ว แต่คนที่ถือส่งไปส่งต่อไปส่งต่อไปแต่ละคนนี่มันก็เลียเรื่อยพอถึงคนสุดท้ายก็ยังเหลือแต่ไม้ไอเทกรีมพอดีอันนี้สมัยเป็นเด็กนะฮะสมัยเป็นเด็กคือเป็นเด็กเนี่ยมันอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองเราหาหนังสืออ่านยากมากอยู่บ้านนอกก็อ่านแต่หนังสือพระ่านเนี่ยงเป็นเด็กวัดอา่านหนังสือพระถือพระกันสือเก่า ที่มีอยู่ในตู้ของพระนั่นแหละเราก็ชอบไปนอนอ่านนอ่า น, านเหตุผลก็เพราะว่าไม่มีหนังสืออื่นอ่านด้านั่นเองเราต้องการจะรู้อะไรเราก็อ่านไปเรื่อยหนังสือพิมพ์จําได้ไปชื่อโลกใหม่ผู้ตังเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกรังแกจากรางราชการเริ่มตแต่ผู้ใหญ่บ้านรังแก ไันจะไอหนุม่มก่อนไอหนุม่มไปรังแกอันนี้ก็ฟ้องผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็รังแกอีกไปฟ้องกับนันกับนันก็รังแกอีกตอนนั้นมีประหลัดตำบลฟ้องประลัดตำบลก็โดนรังแกอีกแกเลยเลิกแจ้งความนะนึกว่าไปเจอประหลัดอำเภอก็โดนอีกกันอำเภอก็โดนอีกะแกปนาไม่ได้ แต่วิธีการมันห่างกันมากเพราะว่าเรื่องนี้อ่านตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแต่เรื่องนี้ฟังตอนไม่กี่วันเองวเออมันเป็นระบบมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นสัญชาตญาณที่เห็นแก่ตัวเพราะไปสําคัญมั่นหมายว่ามีอัตราตัวตนที่ถาวรยังยืนเที่ยงแท้ไม่แปรผันอยู่แล้วก็พยายามปรนปรืออัตราตัวตนของตนอยู่ แต่ถ้าเราเข้าใจในแง่มุมของอนัตตาในประเด็นใดก็ได้นะเราจะเห็นว่าหนึ่งตัวเราไม่มีสาระแก่นสารอะไรตายไปก็เท่านั้นเองแล้วก็เราก็สั่งการอะไรมันไม่ได้ร่างกายเราก็ปลนปลือดูแลเราเลี้ยงเอาใจใส่มันสารพัดเราก็ไม่เคยพูดอะไรกับมันรู้เรื่องสักทีหนึ่งพอย่อยออกไปจริงๆเนี่ยมันหาเราไม่เจอเรานี่ อ, อยู่ตรงไหนล่ะ เคยพบหนังสือหลวงพ่อศาสนาโสพลเอื้อนทัตตาชีวโวทัตตาชีวโวเรื่ออะไรเนี่ยนะฮะแต่สรุ ป, ปรว่าวัตเทพสินเป็นภาพหน้าปกตั้งแต่ตัวเด็กเล็กๆแต่ก็บอกกุมารเอื้อนเด็กเอื้อนเด็กชายเอื้อนนักเรียนเอื้อน สามเณรเอื่นพระ เ, เอะเื้อนพระเอื้อนไปรเปรเียนพระมหาเอื้อนแล้วก็ขึ้นไปเจ้าคุณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นพระาศาสนาโสโผลท่านบอกว่าอันนี้ศพเป็นพอมาถึงนอนตายนอนมรณภาพเนี่ยท่านบอกว่านี่ศบตายก็คือศพที่ยังเป็นอยู่กับศพที่มันตายแล้ว เขาก็จริงหาตัวจริงไม่เจอเลยว่าตัวจริงที่แท้จริงคืออะไรนานๆจะเจอนะฮะความคิดคมๆในลักษณะนี้ท่านข้าใจธรรมะาดนลึกซึ้งขีดเขียนเอกสารอะไรออกมาไพเราะมากนี่ก็แสดงว่าเห็นความเป็นนัตตาตัวตนอยู่ระดับหนึ่งแหละ ทีนี้เมื่อแสดงวิปัสสนาปัญญาก็แสดงกิจที่ทำแล้วก็ทำตนเหมือนผู้อื่นด้วยกล่าวคาถาสองสองคาถาพระัญญากนัญญานะกรล่าวคาถาอีกสองคาถาว่าพระั ญ, ญกโกัญญาองค์ใดเป็นผู้สัสรร้ตามพระพุทธเจ้า เป็นผู้มีความบากบันแรงกล้าอย่างแรงกล้าเป็นผู้ล่ความเกิดและความตายได้แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยพรหมจันทร์หมายความว่าล่าดีล่าชั่วนะฮะคือพรหมจันทร์ในที่จริงเป็นเรื่องดีแต่ว่าบริสุทธิ์ด้วยพรหมจันทร์คือหมายความว่าไม่มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติแล้วในขณะเดียวกันพรหมจันทร์มันก็เป็นเหตุความบริสุทธิ์ก็เป็นผล การปฏิบัติภูมจารย์ของท่านเนี่ยท่านทำให้ท่านบริสุทธิ์ก็เป็นการปรารบตัวเองของพระเทรักก็แน่นอนและชื่ออัญญาโกณธัญาก็เป็นชื่อสมมติแต่ว่ามันก็ต้องสมมติเรียกกันทั้งหมดเนี่ยบอกว่าจัตสรูตามพระพุทธเจ้าเป็นอนุพุทธะคือจัดสรูตามพระพุทธเจ้า ในขณะที่ดำรงชีวิตยอยู่เราจะเห็นว่าก็หปีนะก็มีความบักบันตามเสด็จรอยพระโพธิสัตว์ก็ลองผิดลองถูกอยู่ด้วยกันพอจะถึงจุดหนึ่งคือฟังนันตลักกณัสู จ, จบแล้วก็ละความเกิดเพราะความเกิดมันมาจากวิิชากรรมและก็วิญญาณดับหมด ท่านก็บริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์ทั้งหมดที่ท่านปฏิบัติที่ว่ากตังพรหมจรรย์พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแล้วก็บอกข้อต่อไปว่าพระโกนธัญญาเทระนั้นได้ตัดบ่วงคือโอฆ ข, ขาดแล้วโอฆคือกามโอฆคือพบ โอคาคือชิติโอค่าเกิวิชาโอค่าในที่นี้แปลว่าพ่วงน้ำนะฮะแปลว่าวงน้ำที่พัดผ่าหมุนไปก็ไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรแต่ว่าไอตัวกิเลสเนี่ยมันเป็นนามธรรมตัวค่าม่เป็นรูปธรรม อาจจะเรียกกันทะแปลว่าเครื่องร้อยรัดอาจจะเรียกว่าโยคะแปลว่าเครื่องขังสัตว์ไว้ประกอบสัตว์ไว้อาจจะเรียกว่าโอคะแปลว่าขว้งน้ําบ้งน้ําใหญ่ก็เรียกได้หลายอย่างเรียกอาสวะก็ได้นะเรียกอาสวะก็ะนี้แต่สรุปแล้วว่ากิเลสสามกองคือการพบทิฏฐิและอวิชชาก็หมดแล้วอีกนั่นแหละ ทั้งโลกโคตรลงมันก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดได้ถอนตะปูตรึงจิตอันมั่นคงขึ้นได้แล้วตะปูตรึงจิตคืออะไรให้ลองสังเกตว่าสังคมเราเวลานี้ถูกตะปูตรึงจิตเยอะเหลือเกินมันมีความรุนแรงมันมีความเป็นเราเป็นเขากันรุนแรง มันมีลักษณะคล้ายๆกับอะไรที่เขาพูดว่าผีไม่ผาอเงามไม่เหยียบกันเราจะตายกันแล้วทุกคนบางคนแกจะตายแล้วยังจองเวนจองกรรมยังสร้างเวนสร้างกรรมไม่ได้รู้บาปบุญคุณโทษอะไรเลยที่โบราณตะเดียวว่าแกกรโล ก, กะลาเ็นเรื่องที่น่าเสียดายนะ เพราะเรามีตะปูตรึงจิตคือเราไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเราไม่เชื่อมั่นในพระธรรมเราไม่เชื่อมั่นในพระสงฆ์เราไม่เชื่อมันนรรมมอม่นใ น, น, นหลักใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาที่สําคัญอย่างยิ่งคือใจมากโดยโธสะคือความโกรธความมาฆาตพยาบาทตอนนี้ท่านเป็นพระหันนะท่านท่านก็ไม่มีหรอกและทําลายภูเขาที่ทําไร่ได้แสนยากแล้ว คำว่าภูเขานั้นเราจะเห็นว่ามันก็เอาอะไรได้หลายหลายอย่างแต่ก็สรุปว่าเป็นภูเขาที่ปีนป่ายได้ยากท่านก็บอกว่าเพราะว่าปุถุชนเนี่ยไม่สามารถจะทํำลายได้เลยและเพราะทําลายได้แสนยากนั่นเองจึงถึงการนับว่าเป็นเช่นกับภูเขาเพราะเป็นเช่นกับภูเขา อันหนึง่งพระเท่แต่งการไม่รู้ที่กล่าวไว้โดยในยะว่าความไม่รู้ในทุกเป็นตนอันนี้ก็คือภูเขาแห่งพุทธธรรมมาขวางมาข้ามได้ยากแล้วก็บอกว่าครั้นถอนตะปูตรึงจิตแล้วทำลายบ่วงมานบ่วงมานั้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพัธรรมารมณ์นั่นเองโลกมันก็มีเท่านั้นจริงๆทางสาธารชนจะเห็นว่าเราก็เจอบ่อย แล้วก็เจอบ่อยแต่ลองนั่งสังเกตหนังสือที่ชาวบ้านเขียนเนี่ยเขาไม่เคยพูดถึงตรงนี้แต่ถ้าพระเขียนเนี่ยหมายความพระเจ้าแสดงยังไงล่ะเราก็ต้องแสดงอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราไปขยายมันมันรุงรังเราขยายจากลูกเสียงกินตโพธภพธรรมารมไปแล้วมันยุงรังมันหมดโลกแล้วมันหมดสากลจั ก, กรวาลแล้ว แต่ถ้าเราสรุปแค่อายตนะไปภายนอกกุกถือรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภาพธรรมารูมันก็จบสิ่งที่เราเห็นด้วยตาก็เรียกว่ารูปไม่รู้แหละหยาบกลางละเอียดไม่รู้ก็เรียกว่ารูปสิ่งที่เราได้ ย, ยินในหูเราก็เรียกว่าเสียงสิ่งที่สุดดมโดยจมูกเราก็เรียกว่ากลิน่นสิ่งที่เรารู้ด้วยลิ้นเราก็เรียกว่ารสสิ่งที่เราสัมผัส ด้วยกายประสาส่วนใดก็ตามก็เรียกว่าโภทภะแล้วก็ส่วนใดก็ตามที่เราเหนียวนึกตึกนึ ก, นกดีก็ตามช่วก็ตามไม่ดีไม่ช่วก็ตามสรุปว่าเป็นธรรมารมแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าห้าข้อแรกนั่นแหละมันกลายเป็นธรรมารมในบางแห่งเราจึงพบแค่หนะ้าะบวงมานแค่ห้าแต่ว่านับเจ้สมบูรณ์ก็นับเจ้าห ก, กก็แล้วกันไม่ต้องไป เกิดสับสนขึ้นมาก็ทำลายบวงมานได้หมดแล้วทีนี้เมื่อทำลายบวงมารได้แล้วในท่านก็บอกว่าและภูเขาที่ทำลายได้ยากยิ่งก็คือทำลายความไม่รู้อวิชชาในอริยสัจพูดไงอวิชชาในอริยสัจย่อมเข้าถึงฝั่งคือปณิพานคือมันเหมือนกับสองฝั่ง หมายความว่าเราไปไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้จนฝั่งของหมาสมุดมันก็อยู่คนเราฝั่งกันเราต้องการจะไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็ต้องข้ามหาสมุดนั้นไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งพอ เ, เราต้องการหลุดพ้นจากสังสารทุกข์มันก็ต้องขจัดเหตุที่ให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารทุก เป็นผู้เพ่งฌานอันนี้ก็แสดงถึงความสงบที่มีอยู่ภายในใจของท่านนะเพราะว่าคือคือคื อ, คอปกติพระอระหันต์นี้ท่านเป็นอย่างนี้คือท่านพักของท่านเนี่ยที่จริงท่านเข้าฌานแต่เข้าไปแค่ทุติยฌานก็เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารก็มันเป็นการสงบมี วิติสุกเอกกตาหมายความร่างกายก็ได้พักเต็มที่ใจก็ดื่มด่ำด้วยความสงบแล้วก็การเพ่งชาญในที่จริงเราก็เจอบ่อยคุณลักษณะของพระหานี่แล้วก็หลุดพ้นจากเครื่องผูกแขงมารแล้วในยะตรงนี้บางครั้งส่งแสดงไว้ไม่ยาว จะแส ด, แดงข้อความในสั้นๆไว้เช่นว่าเยจิตังสันยาเมสันติโมขันติมาระบัญธนาผู้ใดจักระวังจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวมีถ้ำคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้แล้วก็ไม่มีสรีระ ผู้นั้นจะพ้นจะบวงแห่งวนนี่ก็ใช้เน้นในการมีสติหมายความเป็นการครองชีวิตอย่างมีสติระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่กระทบทางประสาทสัมผัสและก็เหนียวนึกตึกนึกขึ้นมาของเก่านะฮะเขนเวนึกตึกนึกในกส่วนใหญ่ก็เป็นของเก่าแม้อนาคตมันก็ตึกนึกคาดหวัง จากอดีต ท, ที่เราเคยสัมผัสมาในอดีตเราก็ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นต้องการเห็นต้องการสัมผัสในอนาคตพระท่านก็พ้นพอพ้นมันก็คือพอ้นอะหมายความกระทบอารมณ์อีกเท่าไหรก่ก็ก็เท่านั้นน่ยก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่รูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่รสสักแต่ว่าอารมณ์ แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วท่านก็ก็เรียกว่าใช้จิตที่เป็นกรรมาม m a วจรก็พูดจากับชาวบ้านเนี่ก็พูดภาษาธรรมดาธรรมดาบางทีเราพุทธเจา้าก็นั่งเล่านิทานในเนนฟังอุปมายกตัวอย่างเนนน้อยๆนี่นะอย่าพูดอะไรลึกซึ้งอะไรแก่ตั้งหนาแล้วก็นั่งคุยเรื่องธรมธรมดาธรรมดาพูดเรื่องเม็ดทรายพูดเรื่องทะเลพูดเรื่องคลื่นพูดเรื่องดอกไม้ใบไม้ พูดเรื่องนกพูดเรื่องอะไรอะไรต่างๆแล้วก็เมื่อเธอเริ่มเข้าใจก็ขยับขยับขึ้นไปเรื่อยๆชาวนาไขาน้ำข้าวนาช่างสอนดาลลูกสอนช่างถากถากไม้แล้วมันสอนได้เราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ สื่อต่อด้วยความพยายามมีความสำเร็จอยู่ที่เป้าหมายของมันฝนจะนาไขน้ำก็นาก็ค่อยๆไขไปนาน้ำจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงนี่ก็ต้องกินเวลาแหละจ้างถากถากไม้ก็ค่อยๆถากไปเจก็คิดไปเจก็คิดตามไป แม้จะขีดเส้นอะไรแต่ไรไว้ก็คิดตามเส้นอ่ะคิดตามเส้นที่เราถากไปเรื่อยๆถากไปก็ตรวจไปถากไปก็ตรวจไปถากไปก็ตรวจไปช่างสอนทําลูกสอนเรียกว่าดัดลูกสอนเอาไม้มาถากเป็นรูปโครงร่างซะก่อนแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็แช่น้ามัน ทำซ้ำๆบ่อยๆจนน้ำมันซึมเข้าไปใช้การได้แล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็มาถากถากแล้วก็เล็งเล็งแล้วก็ถากถากแล้วก็เล็งเล็งด้วยหางตานะเล็งด้วยหางตาจนตรงเรียบร้อยทดลองยิงได้ใช้ได้เมราะเราจะเห็นว่างานแนวนี้เป็นงานที่มีสมาธิ คือใช้พลังของสมาธิแต่นั้นนี้เป็นคุณสมบัติแต่ที่ควรแก่การชื่นชมประทับใจและก็ยึดถือเป็นแบบอย่างทุกข้อความเนี่ยท่านไม่ว่าเอาเองท่านไม่ว่าาเองแต่ท่านจะอ้างพระพุทธเจ้าตลอดนี่คือปฏิปทาของพระอระหรันต์ ปฏิปทาของพระหันเป็นอย่างไรเพราะงั้นเราคนรุ่นหลังนี่เราต้องเดินตามอย่างนั้นแหละใครจะว่ายากไปง่ายไปธรรมดาไปยังไงก็ว่าไปแต่พระเจ้าทรงแสดงว่าอย่างไรเราเราว่าอย่างนั้นเราไม่ได้สรตยรู้พระเจ้าสัตยรู้ ทรงสัสรูทรงแสดงว่าอย่างไงคืออย่างนั้นนี่ก็คือปฏิปทาที่เราจะเห็นว่าพระเทรากล่าวมาตั้งเท่าไรแล้วล่ะสามคาถาสี่คาถาห้าคาถ า, ห ก, า, ถาหกเจ็ดนะหกเจดคาถาเยแต่ละข้อเนี่ยมันก็คือพระบาลีพุทธวจนะทั้งนั้นแต่ก็นำมากล่าวบางอย่างมันผสมผสานกับ ญาณของท่านซึ่งก็ตรงกับพระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละก็มาธิบายขยายความเพิ่มเติมเข้าไปก็ยังนึกอยู่เนี่ยว่าอายุมันก็เยอะแล้วคิดว่าข้า้งหน้าเราก็คงอยู่ไม่กี่วันแหละแต่เป็นห่วงเป็นใหญ่พระศาสนามากเรื่องเงินไม่เคยติดใจอะไรเทร่าไหร่หรอก เป็นวงเป็นยายในการศึกษาและการปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมว่าทำยังไงอย่าให้พระสัตวรทำเนี่ยวิปริตเพราะเวลาเนี่มันข่าวคราวเกี่ยวกับทำตนให้บิปริตจากพระธรรมวินยัยก็ค่อนข้างจะแพร่หลายแต่เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ว่าทำพระธรรมีินัยวิปรลิตแล้วถ้ามันออกเป็นเอกสารออกไปทางสื่อออกไปทางอะไรต่างๆแล้วคนไปยอมรับเชื่อช่วยเหลือแล้วก็เชื่อถือแล้วขายายผลออกไปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวบในสุดมันก็เกิดสับสนแตกแยกออกไปเป็นนิกายต่างๆเพราะฉะนั้นเรายึดถือปฏิบัติของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้านี่นะ ยึดถืออย่างเงี้ยมีวิธีตัวอย่างอุปมาอุปไมยเทียบเคียงให้ร่วมสมัยอยู่บ้างแต่ว่าต้องจับหลักของพระพุทธเจ้าของพระหานเอาไว้มันไม่วิปริต์ไม่คลาดเคลื่อนไม่วิปริตไปจากหลักการดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงเอาไว้ต้องฟางเท่าไหร่ เสียงธรรมจากหมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงคำนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจุมมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัวกันสวัสดี